พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่16มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง ไปภูจก่อยังงยังคิดหนักอยู่ยังคิดหนักใจอยู่ไปหรือไม่ไปก็ยังคิดอยู่มันกัรนั่นแหละบอกไปแล้วก็จะเดินขึ้นไหวไหมยังคิดอีกภูจุก่อก็อกรู้รู้กันอยู่ถ้าไปขึ้นไปก็จะต้องในหามขึ้นเอาขนาดนั้นเชียวละ ขนาดไปไม่ได้ยังหามขึ้นเหมือนกับหามขึ้นไปชกมวยลักษณะอย่างนั้นขึ้นไปชกมวยบนุบ น, นเวทียังไม่ได้ยังหามขึ้นไปชกมันจักจะเกินไปเพนั้นสิงเราหลายทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะถ้าไปแล้วจะเป็นภาระกับผู้คนในชุมชนในกลุ่มนั้น หรือจะมีประโยชน์เออมีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่เป็นภาระเป็นกับชุมชนในกลุ่มนั้นเราก็ไม่ควรจะไปเพราะมันจะเป็นภาระให้กับเขาดูแลเรา เ, เดี๋ยวเขาก็จะโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยเจ้าของที่ตายงโงโ ง, กกงันๆย่างเชงเสือกมาเนาะหนาทุเรศ ไม่ใช่พาเขาจะยกย่องเชิดชูบูชานะเขาจะพูดอย่างนั้นขึ้นมาในใจเขาก็ไม่รู้ลูกหลานคนนั้นสิ่งเหล่านี้เราที่เป็นตนเรื่องเราต้องคิดหลายหลายหลายหลายมุมไปได้หรือไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้จะไปทําไมให้คนอื่นเขาไปซะโลกนียไม่ใช่โลกของเราคนเดียวมันหลายคน มืนเขว่าโยโลกไปนี้นะ่ะถ้าข้าตายไปนะจีบหายหมดสู่ ط, เจ้าไปไม่ได้ตนะ่อข้าตายเนะี่ยมันอยู่กับข้าทั้งหมดนะจะคิดอย่างงั้นนะคิดอย่างนั้นเขาก็จะบอกไอ้เฝ้าตายที่ได้หลงผู้อินได้เขาจะว่าอยงนั้นนะเดี๋ยวโลกมันจะได้เจริญมากกว่านีนะ้เขาจะว่าอย่างนั้นไปอีกนะเพราะนั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเราอยู่ในโลกเราต้องได้คิดทั้งหมดนะอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถ โลกใบนี้เราก็ส่วนหนึ่งที่มาพึ่งพาอาศัยเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะที่หลวงพ่อพูดนะพูดเป็นแนวความคิดทั้งหมดไม่ลืมตัวสรุปแล้วใครไปอยู่นักสถานที่ใดพยายามทําให้ดีที่สุดในขณะที่ตัวเองอยู่ในตัวเองที่เป็นไปในที่ตัวเองดําเนินการสรุปแล้วก็คืออย่าลืมตัวว่าข้านี่เป็นบุคคลสําคัญเป็นฮีโร่ ในหมูในคณะถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดแบบโง่โง่นะวันนี้เป็นวันที่สิบหกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดคำ่ำเดือนสอง เน่เราเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราแล้วก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยวันนี้เพราะนั้นวันมื้อเช้าก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาทําบุญทําทานเยอะพอสมควรแต่เย็นนี้พวกเราก็ปฏิบัติกันตามขนบธรรมเนียมที่พวกเราเคยปฏิบัติมาไหว้พระทําวัดเย็นจากนั้นก็จะได้กล่าวหลวงพ่อจะได้กล่าว สมมติในยกถาในชุมชนของพวกเราสิ่งไหนคนเราจะรู้เป็นแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องตน้นการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าลืมตัวอย่างที่ว่าอย่าไปถือว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญเราไปอยู่นสถานที่ใดเราไม่ต้องบอกว่าเราเป็นบุคคลสำคัญหรอกถ้าเราทาตัวดีแล้ว เขาเป็นผู้เชิดชูบูชาเองเขาเป็นผู้ยกย่องให้เองเราไม่ควรจะยกย่องตนเองถ้ายกย่องตัวเองมันน่าเกลียดเพราะนั้นให้พวกเราได้คิดที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ในมนุษย์โลก เนี่ยและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของสอนของพระพุทธเจ้าธรรมธรรมที่มีอุปการะมากอา่ก็ว่าธรรมที่มีอุปอุปการะมากหรือว่าการประพฤติหรือการปฏิบัติอ่หรือว่าการเป็นอยู่ที่มีอุปการะมากที่สุดในแนวแถวของพุทธะเนี่ยท่านว่ามีอยู่สองอย่างสติ คือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวสติสัมปะชัญญะสรุปแล้วถ้าแยกออกไปว่าสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวธรรมที่มีอุปกระมากทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นพบองค์ตรัสหนึ่งไม่มีสองตัดเป็นความจรงิงธรรมที่มีอุปกระมาก ถ้าคนเราก็ตามพวกเรานั่งทั้งหลายอยู่ด้วยกันนยถ้าขาดจิตเป็นบ้าขึ้นมาพูดไม่รู้เรื่องเราคิดว่าจะเป็นยังไงเสียหายหมดถึงจะบั่งมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอถ้าคนนั้นเป็นบ้าแค่อย่างเดียวพูดไม่รู้เรื่องแค่อย่างถ้าหลวงพ่อก็เหมือนกันที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกท่านถาบออกไปทางนั้นจะนั้นะขาดจิตแค่อย่างเดียว หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพราะพุทธเจ้าจังหวะธรรมที่มีอุปกรณมากสติคือความระลึกได้มันจริงหนึ่งไม่มีสองเลยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดถ้าพวกเรามีความรู้สึกในตัวอยู่ตลอดว่าข้าเป็นใครอยู่นักสถานที่ใดทําอะไรอยู่ในขณะนี้การะเทศะการสถานที่บุคคลถูกต้องเป็นธรรมไหม มองตนเองอยู่เสมอคือมีสติอยู่กับตนเองคือใครว่าตัวเองเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาสิ่งไหนที่จะสิ่งที่แปลกปลอมจะเข้ามาขโมยโพยโจรจะเข้ามาในบ้านของเราเราก็รู้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีสติมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยที่บอกพระพุทธเจ้าท่านจะยก ยอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปกระมากถ้าใครมีสติอยู่กับตนเองแล้วอยู่นันสถานที่ใดดีไปหมดถ้าคนขาดสติอยู่นันสถานที่ใดนั่นแหะคนขาดสติคนเผลอสติไม่ดีทางนั้นเพราะนันก่อนที่จะมีสติจุดนั้นที่จะมีสติสัมปะชัญญะจุดนั้นเนี่ย การที่จะตั้งสติขึ้นมาจุดนั้นอ่ะทําอย่างไรพระพุทธเจ้าท่นวัดให้มีความตั้งมั่นให้มีความตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นว่าข้าพรเจ้าจะให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกให้มีสัมปชัญญะมีความรู้สึกอยู่ในความนึกคิดนัด้นนี่แหละอันนี้แหละคือความตั้ง คือตั้งความตั้งสติเบื้องแรกไม่ใช่แบบเออละเหยอเลอยเลื่อยไปเลื่อยมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่มีทางนะไม่มีสติไม่มีสติไหนที่มันจะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ได้กำหนดจุดที่มันจะอยู่อยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไม่มีทางเพราะนั้นขอให้พวกเรา ทุกท่านต้องตั้งตัวอยู่กำหนดที่ตรงนั้นตรงที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นนพือให้มีความตั้งใจมัน่นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราเป็นผู้ตั้งมัน่นตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจมีตั้งกิจอธิษฐานมีความรู้สึกนึก สัมปชัช ญ, ญะรู้ตัวอยู่ตลอดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกในละวิธีการตั้งสติสติคือความระลึกได้สัมปชัช ญ, ญะคือความรู้ตัวที่ทำที่มีอุปกระมากแล้ววกรรมฐานจุดนี้ก็ดีสติสัมปชัช ญ, ญะจุดนี้ก็ดีพระพระองค์ได้ตรัสกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายถ้าศาสนาอื่น คนทางนอกศาสนาหรือใครถามว่าพระพุทธเจ้านี่อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรให้พวกเธอทั้งหลายตอบได้เลยว่าตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกอคือสมาธิในกำหนดในอยู่ในสมาธิคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้า หายใจออกรั่วาหายใจออกนี่แหละพุทธะหรือว่าสาวกะผู้บรรลุธรรมแล้วอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้สรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าก็ดีถึงท่านจะเป็นผู้ จ, จ, จติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังม า, ม า, มาจุดมาอยู่ในจุดจุดใดจุดหนึ่ง ที่จะรู้ได้นี่ก็เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายจิงกักวะเลกะวะลาดอยู่แล้วสติไม่รู้หายไปไหนแต่ถึงยังไงถ้าเราปล่อยให้หายมันก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆ เ, เ, เราควรจะเอามารวบรวมให้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเวันหนึ่งได้สัก5้านาที1ิบนาทีก็ยังดีหรือเป็นชั่วโมงก็ยิ่งดีในเมื่อเรามีสติอยู่ที่ปลายจมูกด้วยที่กำลุ ที่กำหนดลมหายใจเข้าออกในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในจุดนี้นะคนที่มีสติจะเป็นบ้าได้อย่างไรคนจะมีสติจะเพ้อเรอพูดเพ้อหาสาระประโยชน์ได้อย่างไรพูดแบบอะไรเพอ้อเพ้อเบ้อเบอไปได้อย่างไรเพราะเราจึงมีสติอยู่นะเวนเวนเสียแต่เวทนาค้า ทวเวทนากร้านะอีกอย่างหนึ่งนะคือการเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาเข้ามาเข้ามาจนตั้งตัวไม่ได้จนเบลอไปอันนั้นมีอยู่เพราะอะไรเพราะเวทนากล้าเป็นไปได้แต่ถ้าว่าไม่มีเวทนาอะไรยังอยู่สมบูรณ์อยู่นะเราให้ดูดูกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นหลักนะในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวเอง การรู้รู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่เสมอเนี่ยแหละจะเป็นผู้อยู่นิสสถานที่ใดไปนิสสถานที่ใดมีสติอยู่กับตัวเองอต่ว่าเป็นผู้คุ้มครองธรรมที่มีอุปกระมากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ขึ้นต้นเลย ถ้าว่าคนที่ขาดสติไม่มีสติแล้วหมดสภาพในคนคนนั้นถ้าว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ไปถึงจุดหนึ่งเป็นบ้าจ้ะขาดสติคนนั้นก็หมดสภาพอีกในช่วงนั้นช่วงที่มันขาดสตินั้นเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะคำนี้นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามาพิจารณาการกรองไตรตรองึบสังเกตดูดู จริงไหมหนึ่งไม่มีสองทีเดียวเลยเพราะนันให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานให้มีสติอยู่กับตัวเองไว้ให้มากที่สุดในเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้ทดนี่ยเพราะอะไรเพราะคนที่มีสติกําหนดดูกับตัวเองจิตใจก็แน่วแน่แน่ ว, น, วนิ่งแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ในเมื่อมีสมาธิ ขึ้นมาได้เหมือนกับคนเฝ้าบ้านเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็รู้ในที่มันเกิดขึ้นมากับตัวของเราจากนั้นเมื่อมีสมาธิดีนาจิตที่เป็นสมาธิที่ดีแล้วนั้นที่ผ่านสมาธิแล้วนั้นจิตที่เป็นสมาธิแล้วนั้นนามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลเรื่องอะไรก็จะเป็นปัน ก็เป็นเรื่องราวเป็นปัญญาเป็นเรื่องจริง เ, เพราะเหตอะไรเพราะเราการกรองไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมอันนี้มีเหตุยังไงอันนั้นมีผลยังไงก่อนที่มันจะมีผลอย่างนี้มันมาจากเหตุไหนเราต้องดูเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากเหตุทั้งหมดก่อนที่จะเป็นผลออกมาเพราะนั้นเราต้องดูเหตุ ดูผลดูผลแล้วต้องย้อนไปหาดูเหตุในเมื่อเรารู้เหตุและผลมันเป็นนี้เราก็จะไม่ทำเหตุให้มันเกิดในจุดนั้นในเมื่อเราไม่ทำเหตุให้กุดจุดนั้นผลมันจะเกิดมาได้อย่างไรจากนั้นเราก็ทำแต่เหตุที่ดีเถเนี่ยไม่จะ่บจุดเฉยๆให้เข้าเกียร์ว่างอย่างนั้นไม่ใช่ในเมื่อเราไม่ทำกรรมชั่วแล้วทำกรรมดีถึทดแทนในเมื่อเราทา ดีคิดดีทาดีทาเป็นที่สิ่งไหนที่พระพุทธเจา้าแนะนำสั่งสอนที่บอกสัมมาทิฏฐิคิดดีเราก็คิดอย่างนั้นสัมมาสังกัปปะการงานไหนที่เป็นดีวายมะเพียนไหนเพียนดีเราก็พยายามสิ่งที่ดีตามมักแปดของพระพุทธเจา้าจนถึงสัมมาส ม, มาธิ เปียวจิตให้เป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิไปไม่ไม่ใช่วิมิจฉาสมาธิเป็นสัมมาส ม, มาธิเมื่อจิตเป็นสัมมาส ม, มาธิดีจากนั้นก่อนเนี่ยพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยกในเรื่องราวต่างๆตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวพวกเรา เมื่อจิตใจเป็นสมาธิเรพิจารณาอะไรท่านไหนพิจารณาร่างกายนะเพราะว่ากายเนี่ยใจของเรานะมันหลงร่างกายเป็นส่วนมากอมันหลงจุดนี้หลนหลงว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราแต่ตามที่ทแท้นะ่ยแท้จริงเรามาพิจารณาด้วยเหตุและผลแล้วนะไม่ใช่นะใจนะ่ะจะไปหลงร่างกายจนเกินไปนะ ร่างกายนี้ก็เถอะมันเกิดมากับเราอยู่กับเราเรามาอยู่กับมันกับอยู่กับร่างกายอีกสักวันนึ่งละร่างกายนี้จะต้องพัดพรากจากเราไปแน่ๆนะใจนะเห็นไหมตัวอย่างมากต่อมากที่พวกเขาเหล่านั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิจจะหายที่ล้มหายตายจากไปนะั่นะนะแปลว่าร่างกายพาดออกพรากออกจากใจทั้งหมดนี่แหละพราะพระเจ้าท่านให้มองอย่างนี้ตัวเองพ๊อ ตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็อยู่ในเวียงวังท่านก็เห็นนปู่ย่าตายทวดของพระ อ, องค์พระอายกงอายกาอของพระ อ, องค์ล้มหายตายจากไปมีแต่ทิ้งบ้านทิ้งเหมืองทิ้งมอระดุทั้งที่ท่านรักแสนรักอแต่ก่อนท่านมาใกล้ใครมาใกล้เองไม่อย่ท่านหวงท่านห้ามท่านแหนผลในสุดก็น่นนะทิ้งไปหมดเราจะไม่ทิ้งอย่างนั้นหรอ เราก็จะต้องทิ้งเหมือนกับปู่ย่าตายายเหมือนกันนะท่านมองมองดูตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันให้พวกเรามองดูตัวอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านรักสงวนห่วงเห็นในเรื่องต่างๆเงินคำทรัพสมบัติญาติโกโหติกาบ้านเรือนของท่านท่านรักทั้งหมดมองเรามองดูแล้ว แต่ผลในสุดท่านก็ต้องทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันขนาร่างกายท่านก็ยังทิ้งของเราละ่ะเราจะเอาไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเออใจนี่แหละในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้นะคณะสัทธาญาโจมลูกหลานพระเนนนะถ้าว่าจิตใจไม่มีสมาธินะมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงคำนี่นะมันปิดบัง จิตปัญญาของพวกเราแต่พวกเรามีสมาธิดีผ่านสมาธิมาแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดเลยจะไอากายกับใจใจกับกายและการเป็นอยู่วิถีชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของอสัพพสัตในโลกไม่ว่าแต่มนุษยชาติสรพพสัตในโลกช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ ไม่ใช่เลียงแก่ไม่มีไม่ใช่นะเห็นเลียงแก่ไม่สัตว์ทั้งหลายก็แก่เหมือนกับมนุษย์เหมือนกันเรานะ่ยก็แก่เหมือนกันหญิงชายแก่ทั้งนั้นในเมื่อแก่แล้วจะไปไหนแก่ไปหาตายไงแก่ไปถึงจุดจบของชีวิตก็คือตายเราตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครจะปฏิเสธได้ในเมื่อถึงจุดจัดจุดนั้นแล้ะมิแต่ว่าอยากจะคิดจะคิดจะคิ ด, อคดเออฮะ ห้ามไม่ให้คิดเพราะทุกคนจะต้องตายแต่ตามที่จริงพราะพระพุทธเจ้าท่านให้คิดนะให้คิดตลอดลอดฟังไป อ, อจนกว่ายาหลงอย่าห ล, ลงในร่างกายอีกสักวันหนึ่งต้องทิ้งนะแน่นอนร่างกายนะี่ไม่ใช่ตัวตนของเราหนะเนี่แหละจิตที่เป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วนํามาพิจารณาแยกแยะส่วนร่างกายตั้งแต่ผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยะดูสิว่าร่างกายเนะื้อ ตายแน่ไหมสลายหลงสู่ดินน้ำลงไฟแน่ไหมในร่างกายของเรามีธาตุสีจริงนะแน่ไหยจริงจริงไหมตามแนวแถวพุทธะที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้จริงทั้งหมดธาตุร่างกายของเราก็มีธาตุสีดินคือของแข็งกระดูกผมที่เป็นของแข็งในร่างกายเ่าธาตุดินธาตุน้านปัจจวะเลือดน้ำตา น้ำไขมันไขข้ออะไรเนี่ยนว่าถ่านน้ำธาตุลมลมหายใจเข้าออกลมในท้องลมในกระเพาะอาหารลมในลําไส้ร้องโกกากลมหายใจเข้าออกธาตุลมธาตุไฟก็คือทําร่างกายให้อบอุน่นแลเทเผาอาหารให้ย่อยถ้าไม่มีธาตุไฟร่างกายเย็นเสียบเอมันจะเผาอาหารให้เป็นเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร เพราะนั้นในเราจะพิจารณาธาตุสีก็ได้ปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำวายโยธาตุคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตุไฟเนี่ยนะในร่างกายของเรามีธาตุสีนใจนะแต่เมื่อเป็นมีธาตุสีแล้วก็ี่ยมาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายอีกเป็นย่อยอีกแยกแยะเหมือนกับอาจารย์ใหญ่อ กระดูกแต่ละข้อเป็นยังไงในร่างกายของเราตับปอดไตลำไส้แยกส่วนแบ่งส่วนวนั้เป็นยังไงการล้วนแล้วแต่มันเป็นสภาพของมันของมันเหมือนกับศัตรูาลายสิงที่มันตายที่เราชำแหละแหละเอามาทำอาหารอย่างไรในร่างกายของคนเราทุกคนก็ถ้าชำแหละออกไปกับเหมือนนั้นไ ม, ม่ไม่ผิดกัน เ, ออเพียงแต่ว่าเราไม่มีหางทาั เหมือนกับสัตว์เท่นั้นเลอเราไม่มีหางอย่างอื่นเรามีเหมือนกันกับสัตว์ประสัว์ทั้งหลายามีมากมีน้อยต่างกันนี่แหละคือร่างกายของสัตประสัวรร่างกายของมนุษย์แต่แต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันถ้าว่าหมดสภาพของมัน แต่แต่ละคนแต่ละสัตว์ไม่เหมือนกันอีกนะไก่อายุเท่าไร่หมาอายุเท่าไหรวัวควายอายุเท่าไหร่ช้างอายุเท่าไหร่มนุษย์อายุเท่าไหร่อายุของคนก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ต่างยุคต่างสมัยถ้าเราพูดในพระไตรปิฎกอันนั้กัท่านพูดเอาไว้แต่จะเช็คจะจริงอันนั้นตำราท่านก็เขียนเอาไว้ เออมนุษย์สมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็จะ ป, ปะอายุยืนทึงสองหมื่นปีแต่มาทุกวันนี้เราไม่ไม่น่าเชื่อนะคนจะอายุถึงขนาดนั้นจะอยู่ได้ยังไงแต่ในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้เราก็ฟังเราจะพึ่งปฏิเสธเพราะสุขสิ่งทุกอย่างมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละทุกวันนี้เห็นไหมวิทยาศาสตร์สมัยรุ่นปู่รุ่นทวดของเราวิทยุโทรทัศน์นี่ดาด ถกเถียงกันยนพอแรงหัวล้างข้างแต่จะฆ่ากันตายอีกเพราะความไม่เชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนี่แหละมันเป็นได้เมื่อเป็นได้ก็สุดหยุดพูดกันเพราะเห็น ต, ตาตาตาใจนี่ก็เหมือนกันนะนะั่นร่างกายสังขารของพวกเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายแต่ีนใจของเรามันหลงหลงร่างกายอีกที คิรวารากายในเป็นของของเราแท้ๆคิดว่าไม่ไปไหนผลในสุดอีกสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งแน่นอนเลยทิ้งร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราตายลงไปสู่สภาพแน่ๆในเมื่อตายลงไปสู่สภาพถึงใจคือนามธรรมตัวนั้นน่ะถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะมองไม่เห็นเห็นไหมองไม่เห็นใจดวงนั้นน่ะใจที่เป็นนามธรรมจุดนั้น เรื่องนั้นแต่ถ้ า, าว่าผู้ที่ผ่านสมาธิมาแล้วน่ะจิตใจนิ่งจิตใจสงบร่างกายก็คือร่างกายใจก็คือใจเห็นชัดเจนในความรู้สึกนี่แหละตัวใจใจนี่แหละตัวนมามธรรมตัวนี่แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดในที่ไหนก็ได้เพราะออกจากร่างร่างกายแต่เดี๋ยวนี้กายของเราเนี่ยใจของเราเนี่ย อ, อมาบัญชาการอยู่นี่ มาบริหารตั้งร่างกายอยู่นี่ใจมาบริหารแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายหมดสภาพใจตรงนี้ก็ต้องออกจากร่างเมื่อออกจากร่าง้ใจตรงนี้จะไปไหนไปตามกรรมกรรมคือการกระทำถ้ า, ถ, าถ้าใจของเราทํากรรมดีตลอดชำระกิเลสภายในใจจนได้สําเร็จพระอรหันต์ก็เข้าสู่นิพพานถ้าว่ายัางไม่ถึงขั้นนั้น ใจของเราภาวนาจิตใจรวมสงบเกิดเป็นฌานมีสมาธิในจิตใจไปเป็นพรหมถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญทานศีลทานกับศีลเนี่แหละไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าใครภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตให้จิตใจไม่เกี่ยวข้องจิตใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิ คนนั้นจะไปสู่พรหมนะผู้ที่จะไปสู่พรหมก็คือผู้ที่นั่งสมาธิที่จะไปสู่สวรรค์ก็คืออันนี้สงทานอันนี้สงสินับอันนี้สงประกอบคุณงามความดีนี่แหละใจดวงนั้นท้าวอยู่ในระดับไหนก็ไปจุดจุดนั้นแต่ถ้าว่าใจทำความชั่วทีนี้คิดชั่วทำชั่วตลอดไปใจดวงนั้นก็นั่น จิตใจไม่พัฒนาจิตใจตรงนั้นก็ไปทางต่อไปเกิดได้ทั้งนั้นเลือกเกิดเอาได้เลยอันนี้สงของตนเองที่กระทำเอาไว้เหมือนกับคนเกิดมาในมนุษย์โลกเนี่ยะมันเลือกได้ทั้งนั้นท่านเลือกเอาทางที่ดีก็มาสู่วัดวาศาสนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมหาเลี้ยงชีพไปในทางที่ดี คนนั้น เ, เขาก็อยู่ได้เป็นทางที่ดีถ้าเรียกเลือกเอาทางชั่ ว, ลวเลยอาก็มันผิดกฎหมายรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายระดับไหน อ, อผิดกฎหมายเล็กน้อยแล้วก็ไปขโมยของเล็กๆเดือนน้อยเขาก็ไปขังคุกเ อ, อเดือนสองสมเดือนอปีสองสามปีอ่าทำมากกว่านั้นกันอ่อไปทำให้มันใหญ่ขึ้น อ, อขายายาบ่งยาหมายาบ้าเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดโทษมันก็หนักขึ้น ถ้าเราไปวางแผนฆ่าขู่ฆ่าคนฆ่าอาวุธเออฆ่าคนในราดับไหนถ้าฆ่าคนมีศักดิ์มีสีมออีอันนั้นในเป็นคนดีในสังคมโทษมันก็หนักขึ้นอีกผลในสุดโทษประหารนี่แหละอันนี้ก็คือทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันจะต้องพาไปลักษณะอย่างนั้นถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็ต้องไป จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าพระราหันตษาวกนี่แหละสรุปก็คือออกไปจากกรรมคือการกระทําของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงเน้นหนักกรรมคือการกระทำเพราะดนพวกเราทุกๆคนนะพระพุทธเจ้าหรือพระราหันแตสาวกหรือาศาสนาพุทธท่านเน้นจุดไหนเน้นบอกเรือว่าเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทํา ถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทำกรรมชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเนี่ยแหละกรรมชั่วและกรรมดีนะจะเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พวกเราดีหรือดีหรือเลวแต่เราอยากจะเป็นคนดีเราก็ต้องประกอบคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีดีรู้ไหมดีอันไหนคือดีถ้าไม่รู้จักกระทั่งดีกระทั่งชั่วแล้วมันทำไม่ถูกหรอกเหมือนกับคนตาบอดอันไหนเงินอันไหนทองอันไหนก้อนหินมันเลือกไม่ได้พราะอะไรมันตาบอด อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนโง่คนไม่มีปัญญาช่อย่างไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วไม่รู้จกัจกเลือกอยังไงมันเหมือนกันทั้งหมดวัยไหลเพราะมันเพราะมันโง่มันไม่ได้มีมันไม่มีปัญญานะราะ น, นั้นหลักของพุทธศาสนาถึงสอนให้ให้ใช้ปัญญานะปัญญาคือความฉเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้จักแยกแยะอันไหนดีอันไห น, น, นเลวอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรม แยกแยะในจิตในใจนั่นล่ะหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายให้กับพวกเราททั้งหลายให้เป็นผู้สังเกตนะแนะนให้สังเกตให้คิดดูที่หลวงพ่อพูดสรุปแล้วก็คืออย่าลืมตัวชีวิตในตายแน่แนให้ประกอบพุนงามความดีมรรคผลนิพพานมีจริง ตายแล้วตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมนั่นแหะเป็นผู้จำแนกครับให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรข อ, อยุติเอาตอนนี้ไปไปเปิดฟังเทปสักการหนึ่งนะตอนนี้ไปนั่งกัดสมาธินที่นะีองนะนั่งภาวนาต่อได้เมื่อได้เวลาแล้วก็ยังคอยแยกย้ายกันนั่งภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยะ หลวงพ่อนละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังมากๆคนที่มีปัญญาคนที่มีแนวความคิดที่ดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดดีหมดถ้าว่าคนไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยโง่เง่าเต่าตุนมีอะไรพูดอะไรไปจะหัวชนฝาไปเรื่อยพบไม่ได้ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ดีนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ใช้แนวความคิดสติปัญญาตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเรานะอตอเ น, นื่ไปนั่งสมาธินะนั่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่จะเอามือซ้ายก่อนที่จะเอาทับขวมือซ้ายนะ่ปะปนมมือซะก่อนไหวครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ พราการนั่งสมาธิไม่ใช่หลวงพ่อนะไม่ใช่หลวงปู่หลวงตาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้แนะนําพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิเพราะนั้นเราจึงไหว้ครูไหว้พระพุทธเจ้าซะก่อนพุทธโธธรรมโมสังโฆซะก่อนออจากท่านเอามือลงมือทับมือขวาทับมือซ้ายแหละกับวิกรรมพุทธโธพุทธโธย่าให้จติตไปทางอื่นให้อยู่กับ ลมหายใจเท่านั้นสติสัมปชัญญะทำที่มีอุปการะมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เ, เบื้องต้นถ้าคนขาดสติคนเป็นบ้าเช่อย่างเนี่ยหมดสภาพเลยถ้าคนมีสติสัมปชัญญะมีอุปการะมากเก่งๆเราอยู่ในะสถานที่ใดเป็นคนดีทั้งนั้นเพราะทำที่มีอุปการะมากนะให้พวกเราอนั่งสมาธินะฝึกให้สติอยู่กับตัวเองเอา้าหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วนะที่นี้นะ